ก่อนจะได้กินข้าวเนาะโยมกจ็จมอยู่นั่นแหละได้เจอพระจมนังยบนนะั้นเอาคืนเนกะ่อนอื่นแจ้ง ข, าขาา่าวพระบเราทราบยติธรรมคุณบรรจงอาคุณจงก็จากบุราไปแล้วคำนี้ก็ นอนวัดนี่แหละเป็นนอนวัดให้นอนวัดสองสามคืนนี่แหละอืมไอ้เรื่องนี้เป็นนูดาหอน <c oughs> เป็นนุดาหอนเรา <c oughs> พวกเรา <c oughs> เช่นเดียวกันในขณะที่แข็งแรงท่ด ข, ขันแข็งแรงอยู่เดินกันมาได้เข้ามาได้ก็ามาอย่างพวกเรามานี่แหละ อย่าให้ขั้นเท่ากับอาเมื่อกันมาวัดเลยเพราะมันจะไปแท้เลยวรนี้เรามีงานสำคัญคือเราลึกถึงพุะสลักราชปกติเฉลี่ยแล้วประมาณเดือนเดือนกัอนอยายนถ้าทางเหนือนะก็เรียก ว, ว่าเดือนสิบสองละเดือนทางเหนือ น, น, น เ็นเดืนสองจะเร็วกวา่ามิคิมีคนลาด้วยนะมิคิเนี่ยถามว่าจะลาไปไหนเะขูวจะลากลับบ้านเก่าถามว่าบ้านอยู่ไหนกูจะกลับบ้านเก่าแล้ว ถามวาบ้านอยู่ไหนเออเหมื้กันเอาแล้วจะไปยังไงจะลากับบ้านเก่าแต่บ้านเก่ายังไม่รู้อยู่ไหนนะเป็นการเปรียบเทียบถ า, บ า, ามวราร่าบ้านเก่าอยู่ไหนไม่รู้อืพวกเรารู้ว่บ้านเก่าอยู่ไหนเอา แล้วก็เลยลับบ้านเก่ายัางไงอ่ะกำลังเดินทางอยู่เดินทางไปไหนอ่ะไปบ้านเก่านั่น้มันอยู่ไหนอ่ะบ้านเก่าตายแล้วตายแล้วบ้านเก่าอยู่ไหนก็ไม่รู้เลยเออหรือจะกลับบ้านเก่าแต่บ้านอยู่ไหนไม่รู้อืมมัน มันแปลกไหมคิดว่าแปลกไหมเราไม่เห็นความแปลกกันไหมเออนะี่อดธรรมะต้องกับปัจจุบันอย่างหลวงปู่ต้งอินหลวงปู่ส่วนเราตันว่าเวลาเทศอันไหนที่มันชัดที่สุดก็ยกนั่งขึ้นมาในหลวงปู่ตันวาน่าอารมณ์ของเราเหมือนกันเพราะว่าอารมณ์ ตอนนั้นอะเรียว่าปัจจุบันธรรมนอ า, ารมณ์ที่เป็นปัจจุบันแต่คิดให้เป็นธรรมะเนาะคือคิดให้มันเป็นธรรมผมถามว่ามันเป็นธรรมตรงไห น, นมันอยู่ที่สติปัญญาการคิดแต่มาคิดเด่น้อยหรือคิดไม่ได้เลยมันก็อยู่ที่วิธีคิดถ้าคนไม่เคยคิดเลยก็ไม่รู้จึะเอาอะไรมาคิดแต่เรื่องนี้ พระอนุนกราบทุนถามพระพุทธเจ้าพระอนุ์เป็นคนที่ฟังพุทธิยามาเยอะความจำเป็นเลอะเมื่อสมัยก่อน็อาใสยจำเป็นแม้งานไหนลรวที่ไหนที่ไม่ได้ตามไปด้วยซึ่งก็ น, น้อยก็ขอพระพุทธเจ้าเมตตา สาวเราง่ายคือเล่าให้ฟังว่าวันนี้ไปไประเทศหรือไปพูดอะไรกับใครประมาณนั้ น, น, นเห็นทุ้ อ, อย่างว่าความความสนใจความใฝ่รู้ควรจะเป็นกรณีศึกษาควรเป็นตัวอย่างอานนท์ไม่ละไม่เว้นเลยที่คนคอยแต่ที่สำคัญก็คือเป็นคนที่เอาใจใส่ดูแลพระพุทธเจ้ามากที่สุด ทุกเรื่องแต่ว่ารู้จกากพระพุทธเจ้ามากที่สุดแต่ท่านก็เสียสละโอกาสเวลาจนเวลาท่านได้จะสดาบุบันฑองค์นขณะที่พระองค์ยังมีชีวิตอยู่ไม่ได้สมมมาําเมตบนโมณะมณนเขาครัวเขานี่คือปฏิปทาของพระอ น, นุนเป็นคนคอยรู้รยู้เสมอ เราก็จะเอาตรวเป็นเรื่องเป็นอย่างกับเหตุการณ์บ้านเมืองก็ดีเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันในชีวิตประจำวันก็ดีคนโอปราโยโกก็คือคิดให้เป็นธรรมะแล้วพูดให้เป็นธรรมะทำให้เป็นธรรมะแค่นี้ก็เชื่อเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแล้วแต่ว่าคิดยังไม่เป็นพูดยังไม่เป็น สู่การกระทำยังไม่เป็นมันก็ได้แค่สงสัยเหมือนกับนกกับปลานกกับปลาลเขาละ ก, กันไอเจ้าปลาก็อยากดูเรื่องไอ้นอ ก, กอยู่บนฟ้ามาเออมน่าสบายน่าจะอิสระเสรีไปไหนมาไหนมาไหนตางตันนกเลยเป็นตัวหนึ่งที่แหกกฎธรรมชาติเจ้าปลาอะไรก็เช่นเดียวกัน จนนกก็อยากอยู่อยากอยู่ใต้น้ำถามอยู่ได้ไหมนกกับปลาก็อยู่ด้วยกันได้ั้มนกไปมดอยู่กับน้ำได้ไหมออจวปลาไปอยู่บนฟ้าได้ไหมแต่ว่ารักกันได้ไหม น, นัม้นมยมันรักกันได้เพราะนั้นความรักกันแสดงว่า ไม่จําเป็นต้องอยู่ด้วยกันหรือไม่จำเป็นต้องมีซึ่งกันและกันคอให้เข้าใจโดยสภาวะพอไปอยู่แค่นั้นเองมันแปลว่าอะไรมันเหมือนพวกเราเนี่ยพวกเราตัวนี้ถ้าสมรรถคมมาเป็นร้อยเป็นพันมันแน่นไหมมันอึดอัดไหมแต่ที่ว่างๆโล่งๆมีไหมเออ ตรงไหนที่เราอึดอัดขัดข้องใจเรายังไม่หนักยังไม่แน่นมันฝืนมันเคืองมันเข้ากันไม่ได้เราก็ไปอยู่ที่มันโลง่โลงสบายสบายไม่ได้หรยอเรารู้มันอึดอัดขัดข้องไม่สบายใจแต่เราก็ยังฝืน อ, อยู่อึดอัดขัดข้องอยู่งั้นแหละเราไม่คิดหาที่มันโลง่โลงสบายสบายอนโลกใบนี้ ที่พวกเราแย่งกันอยู่เนี่ยมันดือดอากรศเครืองไหมยภาเสียกันห้ามสะดวกไหมถ้าไม่สะดวกเราไม่หาทางออกเลยหรอเพราะทางออกที่ผู้ยางออกมีอุปสรรคมีปัญหาแล้วต้องมีทางออกเหมือนเนี้ยบุนศาลาเราเนีทางออกทางเข้าเยอะแยะหมดมันถึงได้ระบายคนนะสมมติว่ามีทางเข้าทางเดียวเกิดอะไรขึ้นนะ เข้ากัเข้าทางเดียวออกออกทางเดียวมันก็จะเกิดอะไรขึ้ น, นเพื่อเปิดทางให้มีทางเข้าทางออกชีวิตเราก็เหมือนกันมันต้องมีทางเข้าทางออกต้องมีหลายทางเพื่อเป็นทางเลือกอืมตรงนี้มันสลามอึดอัดกันข้องมันขอออไปข้างนอกถ้าข้างนอกมันโดนแดดโดนฝน ก็อย่าไปบ่นว่าเออโดนแดดก็บอกมันร้อนโดนฝนเขบอกมันเปียกเพราะเราไม่หาที่หลบที่ซ่อนไปโทษแดดโทษฝนไม่ได้แต่เราก็จะบอกเออมันแดดมันร้อนร้อนเหลอเกินวันนี้ฝนตกเปียกฝนอ่ะก็เราเราเนี่ยเอาตัวเองไปตากแดดตากฝนเราคือใคร เราคือใจใจมาอยู่ในตัวอยู่ในอาคารอยู่ในบ้านแต่เออเอามันไปตากแดดตากฝนแล้วก็ไม่รู้ว่าตากแดดตากฝนมันก็ได้แต่บทอันสติกับคืนมันี่กับมาถามที่พระอานน์นถามพระพุทธเจ้าน่าฟังดูว่าพระพุทธเจ้าตอบอย่างไงบ้านองถามพระพุทธเจ้าว่า ถามมนุษย์แลสัตว์ทั้งหลายก็คือสพเพสัตว์นี่แหละจึงเวียนว่ายตายเกิดอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยของการเวียนว่ายตายเกิดสมมติว่าคำถามเนี่ยสมมด็จพระพุทธเจ้ายังไม่ตอบสมมติหังเราคิดว่าจะตอบอยังไง อย่าเรื่อมว่าโลกนะั่นอยู่ด้วยนะความสมมติไงมันสมมติได้<ล>เราจะตอบอยังไงหลายอย่างที่เราฟังฟั ง, ฟงสื บ, ส บ, สบต่อๆกันม า, อ ย, า, า, า, ามอย่างที่หลวงพ่อถามเมืเ่อกี้จะกลับบ้านเก่าถามว่าบ้านอยู่ไหนก็จะกลับบ้านเก่าว่าบ้านอยู่ไหนยังไม่รู้เลยอ้าวจะกลับบ้านเก่ายังไงอ่ะจะไปยังไง นั่งรถนั่งเรือนั่งเครื่องบินตอบไม่ไดออ้แสดงว่าอะไรแสดงว่าชีวิตเรามันไม่มีคมตอบใช่ไหมเธ อ, อละคอสฟังธรรมจำศีลภาวนาเขาเรียกว่าเราไม่มีเป้าหมาย อย่างน้อยถึงแม้เราไม่รู้แต่ต้องรู้จกักเป้าหมายเหมือก น, นก็บอกกำลังเดินทางไปนั่งอะไรไปตอนนี้นั่งเดินทางไปไปถึงไหนแล้วตอนนี้ถ้าบอกกำลังจะไปไปถึงไหนแล้วจะไปสวรรค์บันไดสวรรค์อืมระวังเทวดาตกสวรรค์ บันไดผุๆหรือเปล่าก็ไม่รู้เพวกเราบองทีเราคิดแบบไม่มีเหตุไม่มีผลและที่สำคัญคือความจรงิงสามคำนี่เหตุเมื่อมีเหตุมันก็ต้องมีผลและที่สาคัญความจริงคืออะไรนั่นคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแค่เหตุและผล แต่ผู้จะสอนความจริงสามคำนีถ้าเราไปจ่อยไปวิเคาะไปหาคำตอบดูเหตุคืออะไรผลนี่คือสิ่งที่ผู้เะตอบเป็นภาษารเราผู้องตอบว่าถ้าเป็นภาษาเราง่ายก็คืออะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำคนให้ยวีนว่าตายเกิดถ้าเป็นภาษาเราง่ายือตอบว่ากระบันทุกดินไม่รู้ อ น, นี้แต่แบบกระพันทับดินนะเพราะฉะนั้นคําว่าไม่รู้ตัวนี้ความหมายของผูย้ย่อคือว่าวิชาก็นี่ไงทิฏฐานเมื่อกี้ว่าแล้วไปสวรรค์สวรรค์อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ไงมันถึงได้กลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้ผู้ย่อใช้คำ ว, ว่าไม่รู้กคำไม่รู้ไม่ได้แปลว่าโง่ไม่ได้แปลว่าไม่ฉลาดนี่อวิชา พระทธเจ้ใช้คำ ว, ว่าวิชาเราถึงได้เป็นอย่างนี้แล้วก็จะไปอย่างนี้ยี่ขอบไม่รู้ในเมื่อมันไม่รู้ทำไงถึงจะให้รู้ก็ให้มีวิชาที่เราเรียนกันเ้ยไหมมรดูว่าใครเป็นคนประดิษฐ์ประดอยขับพูดพวก น, นี้ภาษาไทยต้บอกวิชาภาษาไทยไหภาษาอังกฤษวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์เหองคือต้องให้รู้เพราะไม่งั้นเราจะไม่รู้หนึ่งสองามสี่เอเบซบวกลบคูณหารนั่นคื อ, อวิชาไม่รู้ก็แปลว่าถ้าเห็นสมมุติว่าไม่เคยเรียนรู้เลย ABC บซคืออะไรเนี่ยเห็นกระสักแต่ว่าเห็นแต่ไม่รู้คือไม่มีความรู้หรืออกักษรอักขระพยัญชนะภาษาอื่นเขาเนี่ยเขาก็เห็นเหมือนกัน แตม่มีความรู้คือไม่เข้าใจเห็นแต่ไม่เข้าใจมันเหมือนกับเราเนี่แหละทุกวันนี้เราเห็นสปปสิทธ์ทั้งหมดผ่านตานะแต่ไม่เข้าใจอย่าไปคิดว่าเราเข้าใจนะอย่าไปคิดว่าเรารู้นะพระพุทธเจ้าจึงเริ่มคำนี้ยือบที่มันเป็นอย่างนี้กรับพ่ออย่างนี้แหละเหตุขังมันคืออภิชาภิาชามันเป็นเหตุ นี่คเและปัจจัยต่อไปก็เลยอวิชชาปยยัญญ า, าสังขารังสังขารมาได้แปลรูปร่างกายตัวตนเราเขาอันนี้คือการนึกคิดตรุงแต่งอวิชชาปัญญาสังขาราสร้างขยาปัญญาวิญญาณหังวิญญาณมาได้ไปสิ่งชั่วเร็ว้ายที่เราเข้าใจหรือสัมเวสีที่เราเข้าใจก็เรามารู้เข้าใจสัมพเพวิสีคืออะไร เราเข้าใจว่าเปิดคนเรื่อ่นจรจัดเหมือนวิญญาณที่หาที่พึ่งหาอะไรไม่ได้เราก็เข้าใจกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นหลายเรื่องหลายอย่างหลายคำหลายประโยคที่เราไปพูดต่อๆกันมาแล้วก็เข้าใจกันเองอย่างนี้มาหนุนหลายเรื่องโดยที่ไม่กลับมาที่ต้นต่อต้นต่อคืออะไรหรือพระพุทธเจ้าเห็นไหมพระนรินทราถามไมันได้ถามคนอื่น คือถามคนนี้คือจบละคือไม่ต้องไปถามใครอีกแล้วโลนมันจะได้คําตอบที่ถูกต้องเป็นจริงมันนี่คือสิ่งที่ภูจะตอบนะว่าเพราะมันมันมีเหตุจึงมีผลจึงมีปัจจัยผลอริยะสตินั่นก็พูดเรืงนี้แหละแต่ท่านพูดผลก่อนค่อพูดเรื่องเหตุแต่เวลาเราใช้เราใช้เหตุแล้วก็ผล แต่พระุเจสอนในสอนผลข่อนนะสอนผลเส้นส้มเหมยผลของส้มเหมยแทนที่ระบบนึกถึงต้นมันเป็นยังไงเหมือนทุกวันเนี่ยเราจะกินผลไม้ ง, ง่ายนิดเดียวกินสี่ลำใหญ่ส้มโอมาที่ตลาดก็จบแล้วไม่ได้คิดอะไรละพอจะถามมันมาอย่างไงอะส้มเนี่ยไม่เคยคิด อันนี้คือคาว่าผละและเหตุของมันคืออะไรมันมาจากไหนผลเนี่ยผ ล, ลไม้มาจากไหนผลละไม้มันก็มาจากไม้หรือต้นไม้องแล้วใครคิดจะปลูกต้นไม้มาใครคิดจะปลูกเหตุมันบ้างก็ เ, เอาแต่ผลนะทุกวันเป็นอย่างนี้พอผลออกมาไปตากแดดตากผลก็รู้ น, นั่นคือผลเนาะ มันต้องแก้ที่ไหนแก้ที่ผลหรือแก้ที่เหตุแก้ที่เหตุให้รู้จักเหตุของมันไม่ใช่รู้เฉพาผลอย่างเดียวเนี่ยแต่ผู้เจ้าเวลาสอนเนี่ยไปฉลาดไหมผลไม้นั่นมันมีที่มานะผลมันเนี่ยมันจะเปรี้ยวมันจะหวานมันจะมันมันจะเค็มมันจกต้นต้นมันมามันกจะมายังไงอ่ะแปลว่าผลไม้เนี่ยกว่าจะได้กินมันใช้เวลากี่ปี คิดว่าใช้เวลากี่ปีสามปีขึ้นแล้วแล้วพวกเราเป็นไงอ่ยนใส่บาทเรียนบาทอันน้ไม่ได้ว่ากันนะไม่ได้ว่าใครเนะ้อก็แรกเาธุขซาตักพระเจ้าถูกราวันที่หนึ่งพูดน้าลงทุนบาทเดียวเนี่ยนะโอ้ยน่าจะให้เป็นรัฐมนตรีรังเนาะหาเงเก่งขนาดนี้ยได้เห็นไหม เราเราเอาเอาที่ผลเราไม่คุยเรื่องเหยื่อทุวันมันเป็นอย่างนี้อย่างไรเขาขอเอาขอเทวดาเทวดาแล้วรย์าาเป็นไงก็ไม่รู้เขาจะให้หรือเปล่าก็ไม่รู้เขาจะเ บ, บปากใส่หรือเปล่าก็ไม่รู้ผมก็ขเเอเพิ่มไปอีกเนี่ยมาอีกแล้วที่ขออย่างนี้ป่ามรุน่ะอันนี้ไม่รู้ลองนึกภาพบอกเพราะฉะนัอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าสอนก็คือจริงๆมันได้ ไม่ได้ลึกแะซับซ้บอนอะไรเลยเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราได้ยินได้เห็นที่ทำอยู่เราใช้สัญญาอคือแค่ความจำได้หมายรู้เราไมา่ได้ใช้ใช้สติปัญญาอันแท้จริงที่มีอยู่อันนี้คือสิ่งที่เราขาดนะสิ่งที่เราไม่มีหรือว่ามีน้อยจะบอกไม่มีก็หาว่าดูถูกอีกแล้วดูถูกก็ดูผิดอันไหนมันมันควรจะดูกัน ฮะดูผิดทําไมเวลาเขาดูถูกเราทาเรถรู้สึกไม่ดีเลยว่ามันน่าจะขอบคุณนะ่ะเขาดูถูกแล้วเขาดูไม่ผิดออแต่เราจะไปมองเขาผิดเออเขาจะดูถูกแล้วแต่เรามองผิดเออแล้วไปโทษเขาเฉยเลยอ่ะจริงเขาดูถูกนะ่าจะขอบคุณไหม เขาเก่งนะเขาดูเราถูกเนี่ยเออแต่เราเนะ่ยดูเขาผิดเออนะ่ะเนี่ยเขาเรียกว่าปัญญาตัวนี้เขาเรียกว่าปัญญาแต่ตัวที่มองว่าอนาันนั้นิดอันนั้ถกอะไรตัวสัญญาเนี่ยเราแยกไม่ออกอะไรระหว่างสัญญากับปัญญางมันเริ่มเป็นอย่างนี้แล้วสุดท้ายกลายเป็นเหยื่อเรากลายเป็นเหยืนะ่อนพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาของเราเป็นศาสนาของ ปัญญาแล้วพูะุทธเจ้าก็ตรัสรู้ด้วยปัญญาอืราะเั่นเอสิ่งใดก็ตามที่พระุทธเจ้าฝากไปแม้แต่คำเล็กๆน้อยๆคำสนทนาระวางท่านการู้สิตรหรือใครก็ตามที่ที่ผ่านมาทั้งหมดเรื่องพระสูตรเรื่รยบเราเล่าต่อๆกันมาเป็นเรื่องสำคัญอย่างวันนี้สลากคภัทต์อันนี้ก็มามาจากวินัยวินัยพีดก เข พ, พูดถึงสลักพัทธ์พูดถึงทำบุญอุทิศนันกการพอที่เรารับไปแล้วสลักพัทธ์เธอเป็นสังคทานผูไไ้ไม่ได้เจาะจงไม่ได้เจาะจงก็ต้องถวายหลวงพ่อหลวงพี่หลวงน้าหลวงตาหลวงแล น, นองไหนก็เธอไม่เจาะจงทานบงอย่างคือเจาะจงก็ไม่เจาะจงอันนี้เธอไม่เจาะจงก็คือสังคทานนเองนะมันบางทเราถือน้อมเราถึงบรรพบุรุษ บรรพบรุษของพเราซึ่งใครก็ไม่รู้สาวไปทไนายก็ไม่เครรู้แต่รู้ว่าทำบุญกับบรรพบรุษเพราะถ้าไม่มีบรรพบรุษคงไม่มีเราจนถึงรุ่นสุดท้ายคือพ่อกับแม่ถ้าไม่มีพ่อแ ม, ม่ไงแม่ธาตุสี่ขันธห้าที่ใช้อยู่มันจะมีไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเออท่านทําดีทําไม่ดีก็บเราอะไรที่มันจบไปแล้วมันผ่านไปแล้ว หรืออยู่ไม่อยู่ก็แล้วแต่อย่างที่หลวงพ่อบอกแรกปะาอะไรที่มันอัดขัดเคืองก็าย้ายใจเราเราก็เหมือนกันอย่าไปอยู่ตรงนั้นนะก็อยู่ที่มันโล่งๆตรงไหนมันมืดก็อย่าไปอยู่ก็ไปอยู่ที่มันสว่างมันเลือกได้เนี่แต่เทพบอกทํำไมมันมืดเหลือเกินเอาไปอยู่เลยที่มืดเองเออที่สว่างมีให้อยู่ไม่ไปอเ อ, อ่ะอืมนะ วันนั้นวันนี้ก็แบบนการเราลึกงื่องถึงบรรพบุรุษคือพ่อแม่ถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีท่านสีกันห้าเราพูดไ ง, ไง่าวันนั้นที่เราได้มาก็ถือว่ามรดกนี่คือมรอดกที่ล้ําค่าที่สุดที่มนุษย์เคยมีไม่ใช่ทรัพย์สมบัติแก้วแวนเงินทองของพ่อของแม่นั่นเป็นของท่านนะไม่ใช่ของเราแต่เราเข้าใจผิดได้ไม่เท่ากันฆ่ากันตายะ มีรายวันคนนั้นได้มากคนนี้ได้น้อยไม่กี่วันก็ยิงกันตายเพราะวาได้ไม่เท่ากันแล้วเราคิดว่าเป็นของตัวเองมันไม่ใช่นี่ของพ่อของแม่เข้าหาเข้ามาเออนี่ยเราเข้าใจถูกแล้วเข้าใจผิดเข้าใจถูกหรือเข้ผิดเออเกี่ยว่าของตัวเองเนะี่ยเพราะนั้นมรดกที่ พ่อแม่ให้เรามาเท่ากันหมดแขนขาตาจมูกนี่ได้เท่ากันไหมออถ้าได้มาคนนะั้นเอามามึงเอาไปแขนหนึ่งมึงเอาไปแขนซ้ายมึงไปแขนขวานี่เออเลยไม่หยุดได้ทําละเนี่ยได้มาเท่ากันหมดแขนสองแขนขานตาจมูกเท่ากันหมดเอาไปบริหารการเอาเองนะเพราะฉะนั้นเรามาเราลึกนึกถึงคุณของท่านนะ คาวาคุณก็คือท่านอยู่ก็ตามไม่อยู่ก็ตามเราบูชาคุณไม่ใช่บูชาท่าสีกันห้าเพราะนั้นวันนี้จึงเป็นวันดีที่ที่บรรพบุรุษของเราอีกเช่นกันบนรดินังปรารได้กำหนดโอกาสเวลาอย่างนี้เพื่อให้พวกเราได้มีโอกาสตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ผู้อาวบโสอาจารย์ตลอดท้งผู้มิพระคุณทั้งหมด เพราะนั้นความดีที่เราทำมาทั้งหมดในวันนี้ตั้งแต่อดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีจะเป็นพละปัจจัยถึงแก่บรรพบุรุษของผู้เราคือพ่อแม่ปู่ย่าตา ย, ยายตลอดถึงผู้มีพระคุณทั้งหมดขอให้ท่านเหล่านั้นจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ผู้เราทั้งหลายได้กระทำบรรเป็นในวันนี้ก็ขออานุโมทนา จากนี้ไปประสงค์จะได้อานโมทนาเป็นภาษาบาลีตั้งใจขวดน้ำรับพร